ถ้าชาวๆอย่างนี้ก็ขอให้ญาติสามมาปฏิบัติจงเร่งรวบรวมกำลังใจของตัวเองเข้าไว้โอกาสที่เราจะได้มาประกอบกรรมดีอย่างนี้ก็หาโอกาส น้อยแล้วก็ยากที่สุดโอกาสที่เราจะหลุดไปทำกรรมชั่วนั้นมันมีมากในระยะเวลาที่เราเกิดคำว่าเกิดก็คือเกิดความคิดนั่นเองการคิดปรุงแต่งของชีวิตเราของอารมณ์ที่เกิดขึ้น บนแต่เป็นสิ่งเครื่องประหัดประหารการเวลาของเราทั้งสิน้นก็ให้พระพิสุสงฆ์สัมมเนรุหลมทั้งเมชีอุบาสก อ, อุบาสิกาที่เจริญด้วยสติแล้ว วันหนึ่งวันหนึ่งที่เราเกิดมาได้ประกอบกรรมดีและกรรมชั่วก็คือคิดดีคิดชั่วนั่นเองในโลกนี้ล้วนแต่มีความสมมุติทั้งสิน้นการที่เราสมมุติแล้วก็คิดนึกตึกตรองมาเนี่ยโดยไร้สติก็คือความ คิดที่มันไลความรู้ตัวของตัวเราเองเรียกว่าความประมาทพังเผย น, นั่นเองนักปฏิบัติทั้งหลายการที่เราได้ทำอะไรโดยที่มีความตั้งอกตั้งใจตั้งตัวตรงนึกถึงเข้าไปในจิตใต้สำนึกของเราก็คือใจเรานั่นแหละ ที่มันกำลังเต้นตุ๊บตุบๆุบอยู่เนี่ยพยายามมองเห็นตัวเองในขณะนี้ว่ากำลังนั่งอยู่เมื่อสติเราดีแล้วจิตเราไม่ฟุ้งซ่านแล้วกิเลสมันล่วงเลยแล้วก็เบาบางลงแล้วอะไรทำให้เกิดความเบาบาง เราลองนึกสิว่าวันแรกจนถึงวันนี้เนี่ยจากที่เราได้นั่งแล้วมันหนักกายเหลือเกินร่างกายเราวันแรกเรารู้สึกว่ามันไม่สบายมันปวดมันเมื่อยรู้สึกอึดอัดลังเลในอารมณ์สงสัยในการฟังธรรมก็ตาม เราต้องฝืนกายในขนาดที่เราเนี่ยจะต้องเดินเหินไปที่โ น, น่นไปที่นี่ตลอดเวลาแต่ในขนาดนี้เราได้ฝืนมันนะไม่เดินกูไม่เดินยังไงกูก็ไม่เดินแต่เมื่อร่างกายมันไม่เดินเนี่ยสภาพของจิต มันคุ้นเคยในการที่เราคิดแล้วจะต้องเดินไปนั่นไปนี่ไปหยิบไปช่วยทุกสิ่งทุกอย่างในชีวิตเมื่อกายไม่เดินไอจิตวิญญาณมันเคยมันคุ้นเคยเรียกว่าชาญชาญแปลว่าชินนั่นเองชินต่ออารมณ์ที่เราได้ทุกสนเหมือนเยี่ยงลิงอย่างนั้น จับน่นช่วยนี่หัวเราะพูดคุยคิดตามบำบงบำเลในความรู้สึกที่เราตามมองเห็นหูได้ยินกายได้สัมผัสถูกต้องสิ่งนั้นสิ่งนี้ยึดมั่นถือมั่นว่าเป็นตัวกูของกูทั้งสิน้นแต่ในขณะนี้ไอ้กายเนี่ยมันซุดหวบลงละ กายที่มันอยู่แบบในตามสภาพของกะกรรมตามวาลักของอารมณ์ที่เกิดขึ้นของทุกท่านที่นั่งในขณะนี้ในขณะนี้กายก็ปราบมันเรียบร้อยแหละรู้สึกเรานั่งเบาสบายลองจิใตใจสำนึกนึกไปถึงตัวเอง เออเน้อจริงไว้วันแรกเรารู้สึกสบายใจแต่ว่ารู้สึกว่ามันหนักกายมันเจ็บมันปวดมันเมื่อยรู้สึกมันไม่เหมาะไม่ควรจะกินจะนอนจะนั่งจะเดินรู้สึกมันไม่ชำนิชํานาญในสถานที่มันคุ้นเคยกับความสะดวกสบายที่บ้าน แร่พวันที่สองวันที่สาวันที่สวันที่ห้าห้าราตรีแล้วเออเรารู้สึกนั่งสบายขึ้นนั่งยังไงก็รู้สึกมันเหมาะมันผ่อนคลายทางกายเข้าไปแล้วสภาพของจิตวิญญาณออจิตก็คือสภาพมันรู้สึกยอมรับอ่อนร้าทั้งกายและใจ ที่จิตมันหยาบการมัวมองอยู่ตามสภาพของความคิดนึกนั่นเองสภาพของจิตวิญญาณเนี่ยมันร่องรอยไปตามสภาพของกรรมกรรมก็คืออารมณ์นั่นเองอารมณ์ที่กากกรรมเนี่ยมันอดได้ทนได้นึกไม่ได้คิดไม่ออกว่าเรากำลังทำอะไรอยู่ก็คือตัวประมาท น, นเอง ตัล่วงเลยไปตามการเวลาที่เราเนี่ยหาเหตุหาผลจับตัวจับตนที่แท้จริงของเราเนี่ไม่ได้เท่ากับเราล่องลอยเป็นผงทุลีอยู่ทุกวันวันนี้เป็นวันที่โชคดีเป็นลาตีที่ห้าท่านทั้งหลายนักปฏิบัติทั้งหลาย หลวงพ่อได้พิจารณาดูแล้วทุกคนเริ่มมีเหตุมีผลทางอารมณ์และความคิดสติปัญญามากขึ้นเพราะคุณเจ้าก็มีความตั้งใจนั่งตัวตรงมีความอดทนอดกันและชินต่อสภาพที่เกิดขึ้นบรรดาญาติโยมก็เช่นเดียวกัน มีความพร้อมทั้งร่างกายและจิตใจการสอนสมาธิสมาธิก็คือความตั้งใจมัน่นเรียกว่าสมาธิเมื่อเรามีสติสติคือความรู้ตัวมากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นชินแปลว่าฌานฌานแปลว่าชิน เมื่อเรารู้อารมณ์ที่เกิดขึ้นมากขึ้นหลวงพ่อก็จะได้สอนสมาธิเสถียรขอให้ท่านทั้งหลายจงมีความตั้งใจว่าและนึกคิดตรึกตรองตามที่หลวงพ่อได้คิดได้บอกในขณะ น, นี้ขอให้ท่านทั้งหลายมองไปที่ใจแล้วก็ยิ้มเข้าไว้จงตั้งใจยิ้มให้กับตัวเอง พยายามนึกถึงใจเนี่ยให้สว่างเหมือนดวงดาวเลยเรียกว่ากสินนั่นเองการทำกสินเนี่ยมันเป็นการสมมตินะสมมติจับจุดหนึ่งจุดใดเช่นน้ำก็ดีดินก็ดีไฟก็ดีแสงสว่างก็ดีสีแดงสีเขียวก็ดีแต่เรานนั้นเนี่ย ความใสสว่างก็คือตัวปัญญาเมื่อเราจับใจแล้วก็เห็นใจเราเนี่ยใสยคำว่าเห็นใจเมื่อเราเห็นใจใสแล้วก็ยิ้มเข้าไว้เรียกว่าใจดีสว่างสวยก็เรียกว่าใจสว่างปัญญาก็รู้สึกผ่อนคลายใจรู้สึกเย็นสบาย อย่าเพิดเพลินด้วยสติต้องมีสติกำชับตัวเองอยู่เสมอเสมอเมื่อใจเย็นสบายใสยสะอาดแล้วใจรู้สึกสบายเบาโล่งสบายแต่มันก็จะเป็นหนักไอ้กายองกายวิญญาณกับจิตวิญญาณเราค่อยๆ แ, แยกออกแยกแยะให้ดีเมื่อใจเบาเนี่ย กายก็จะหนักพอใจเรารู้สึกเบาสบายเนี่ยเรารู้สึกร่างกายเราเนี่ยใหม่ๆก็รู้สึกเบาเบาด้วยแต่เราไม่เคยสงบละเอียดเข้าไปลึกๆในขณะนี้ไม่เคยพิจารณาด้วยเหตุและปัจจัยที่มีสติรู้ตัวอยู่ในขณะนี้เรารู้สึกหนักช่วงล่าง แล้วก็เบาช่วงบนก็คือทางช่วงศีรษะเนี่ยร่างกายเรารู้สึกเบาช่วงบนแต่น้ำหนักเนี่ยมันถ่ายลงไปที่ช่วงก้นหรือในระหว่างขาของเราแต่จริงๆแล้วเนี่ยมันเป็นปกตินั่นเองเราเคยรู้ไปพร้อมทั้งกายและใจ โดยการคิดปรุงแต่งนั่นเองโดยที่มีมีสติรู้ตัวแตใ่ในขณะนี้เนี่ยเรามีความรู้ตัวมองเห็นใจแล้วก็นึกถึงกายไปในพร้อมๆกันเมื่อใจเบาบางช่วงบนรู้สึกเบาแต่ว่าช่วงล่างมันหนัก ก, ก็ค่อยแยะว่า อ๋อ oh, จิตวิญญาณจิตก็คือหมายถึงมีความรู้สึกว่าลมมากระทบร่างกายเราในขณะนี้เนี่ยที่มีลมโชยเข้ามาแก่จิตสัมผัสวิญญาณสัมผัสรู้ร้อนเย็นว่าลมมากระทบเรียกว่าจิตวิญญาณความรู้สึกปวดเจ็บเรียกว่าจิตวิญญาณ กายวิญญาณก็หมายถึงว่ามันเป็นเพียงแค่ธาตุธาตุวิญญาณเรียกว่าธาตุดินน้ำลมไฟนักปฏิบัติทั้งหลายเราจะต้องเรียกว่าสมถะวิปัสสนาคาว่าสมถะเราก็ต้องรู้เหตุรู้ปัจจัยรู้ผลว่าอะไรคือสมถะ ตั้งใจลึกว่ายิ้มเขาแวะตัวตรงแต่อย่กเกงนะอย่เกงหายใจจับให้เป็นปกติยิ้มไว้ไม่สนใจแต่ให้รู้ใจตัวเองเขาแวะเมื่อเรามีความรู้สึกว่าอะไรนะคือสมถะอะไรคือรูปอะไรคือนามอะไรคือวิปัสสนาเดี๋ยวหลวงพ่อจะค่อยๆบอก ในตนๆไปเรื่อยๆช้าๆไม่ต้องรีบร้อนการเดินไวเนี่ยมันทำให้เราอาจจะสะดุดต่อหกล้มได้การปฏิบัติก็เช่นเดียวกันเรามาปฏิบัติด้วยความเข่งคัดบากบั่นในการนั่งในการเดินบังคับทั้งกายและใจของตัวเองโดยการเร่งรัดเกินไป จะทำให้เกิดวิกลจริตหรือเกิดสมาธิเกิดสติปัญญามันไม่ยอมเกิดกายมันรู้สึกว่าทำงานมากเกินไปก็เหมือนกับชีวิตเราเนี่ยทำงานมากเกินไปก็รู้สึกเมื่อยล้าไม่สบายกายรู้สึกเหนื่อยจะต้องพักผ่อนใจก็เช่นเดียวกันเหมือนเราถูกเก็บกด เหมือนเรื่องใดๆที่เกิดขึ้นในชีวิตเราเนี่ยมันกดดันทำให้เราเนี่ยคิดไม่ได้นึกไม่ออกมันทำให้เกิดความทุกข์เกิดความเครียดนั่นเองคนที่ปฏิบัติแล้วเสียสติเสียวิกลจลิตของความเป็นมนุษย์ก็นี่แหละเหตุที่เกิดว่าเครียดเกินไปมุ่งมานะเกินไป ทำให้ไม่รู้เหตุรู้ผลก็คือกลายเป็นคนวิกลจริตเพราะจิตมันหลุดเข้าไปในสภาวะสภาวะอะไรสภาวะแยกกายกับจิตในขณะจิตวิญญาณของเราเนี่ยรับรู้ควบคู่ไปกับกายวิญญาณ แต่ถ้าเกิดเราฟิตมากเกินไปโดยไร้สติขาดเหตุขาดผลไม่รู้ตัวตนว่าเราจะต้องปรุงอาหารให้อร่อยเนี่ยจะต้องมีกลวิธีเรียกว่ากลอุบายในการคิดในการปฏิบัตินั่นเองเมื่อเรามาปฏิบัติแล้วเนี่ยทำไมหลวงพ่อเนี่ยพยายามทำให้เราเนี่ยมีความรื่นเริงบันเทิงใจ ไม่ได้พูดให้เราเนี่ยรู้สึกมีความทุกข์กายทุกข์ใจไม่ได้พูดให้เราเนี่ยหวานร้อไม่เกิดความกังวลหรือความไม่สบายกายไม่สบายใจการกินการอยู่การอยู่ร่วมกันก็รู้สึกกระเบิกบานใจรู้สึกสบายใจทางกายและทางจิตรู้สึกรวบรวมกันได้อยู่ร่วมกันได้โดยเหตุด้วยปัจจัย ค่อยๆ ค, คิดตามไปเมื่อเราเห็นรูปนามของเราเนี่ยนั่งอยู่ในขณะ น, นี้เราก็เห็นเป็นในใจเราเรียกว่าใช้กาหนดสมมติขึ้นนะพวกเราเนี่ยชำนาญในการนึกคิดปรุงแต่งอยู่แล้วเอาความคิดนึกปรุงแต่งในขณะนี้เนี่ยนึกเห็นตัวเองแล้วก็ ใจตัวเองเรียกว่ากายวิญญาณแล้วก็จิตวิญญาณเมื่อเราเห็นกายวิญญาณเนี่ยนั่งอยู่เป็นรูปตัวตนของที่แท้จริงที่หลวงพ่อบอกว่าให้นึกถึงหน้าตัวเองอันดับหยับหยาบแต่เราจะให้ละเอียดเข้าไปอีกก็มองเห็นเข้าไปในใจเห็นตัวเราเนี่ยมองเข้าไปในใจ เห็นตัวเราเนี่ยกำลังนั่งอยู่แล้วก็ ย, ยิ้มขว่าอยู่ในองค์ภาวนาก็คือหายใจเข้าพุทธหายใจออกโธเมื esterol, ่อเรารู้จักรูปนามของเราแล้วและรู้และเห็นกายวิญญาณของเราแล้วก็จิตวิญญาณเพราะเรารู้แล้วที่หลวงพ่อบอกเมื่อเห็นแล้วเราก็เข้าสู่สมถะ สมาธก็แปลว่าการพิจารณากายในกายเมื่อเราเห็นรูปร่างรูปนามของเรานั่งเนี่ยเราก็เข้าสู่สมถธสมถธก็คือการพิจารณาว่าโอ๋นอชีวิตเราเกิดมานามก็ส ม, มุิแขนขาเนื้อหนังเลือดเหลือไข่ทั้งหลายเนี่ยก็ส ม, มุิ กเนี่ยก็สมมติเรียกว่าศีสษะแขนทรายแขนฝามันก็แขนเหมือนกันตัวตนมีลักษณะรูปนามของความเป็นมนุษย์เป็นสัตว์ชนิดหนึ่งที่ก็สมมุติว่าเป็นมนุษย์หรืออีกอย่างหนึ่งเ็เรียกว่าคนรูปนามผู้หญิงผู้ชายเนี่ยก็มีรูปนามที่คล้ายๆกัน แต่แตกต่างกันในความสมมุติว่าผู้หญิงจะต้องไว้ผมยาวจะต้องมีนมก็คือเหมือนแม่เราที่เราดูดนมมาลักษณะผู้หญิงก็จะต้องเป็นอย่างนี้เรียกว่านางนั่นนางนี่ผู้ชายก็สมมุติเป็นรูปของผู้ชายกำยำล่ําสันแข็งแรงเรียกว่านายนั่นนาย น, นี่เรียกว่าสมมุติ สมมุติในรูปในนามนะว่าหญิงชายแยกแยกกันการสมมุติที่เราเห็นเข้าสู่สมถะรูปนามนี้เนี่ยประกอบด้วยธาตุทั้งสค่อยๆ ค, คิดไปธาตุดินก็คือกระดูกเราก็เห็นตัวเราเนี่ยเป็นโครงกระดูกเลยในขณะนี้เราเคยเห็นภาพกระดูกเคยเห็นผีไหม อาจจะมองเห็นภาพแต่นึกถึงตัวเองไม่ได้ในขณะที่เรานึกถึงเข้าไปในสมถะลึกที่สุดก็คือกระดูกกระดูกนี่ก็คือตัวตะ ก, กรอนกรรมเขาเรียกว่าสมัยก่อนก็ททำเชิงตะ ก, กรอนใช้เหล็กผาดผ่าเหมือนตะแกงปิ้งปลาที่เขาเผาศก เมื่อเผาแล้วสังขารถูกไหม้หมดก็เหลือแต่กระดูกเป็นชิ้นเป็นอันให้ไอซับเลเนี่ยมันเก็บส่วนศีรษะส่วนแขนส่วนขาเอาไปใส่โกดแล้วก็เอาไว้ที่บาทหรือเอาไว้ที่เจดีนักปฏิบัติทั้งหลายได้เห็นกระดูกของตัวเองหรื อ, อยัง กระดูกคนเหลานั้นก็บ่งบอกชัดเจนเลย ว, ว่าตะกรกรรมกรรมก็คือกระดูกจะต้องมีสีแต ก, แ ต, กต่างๆกันไปแต่ถ้ากระดูกเป็นพระอริยสงฆ์อริยเจ้าก็คือพระอรหันต์เรียกว่าพระธาตุเขาไม่ได้เรียกว่ากระดูกหรืออีกอย่างหนึ่งเรียกว่าอัธิธาตุอัธิธาตุก็คือาธาตุที่บริสุทธิ์แล้ว เป็นพัทธ์ก็หมายถึงเป็นแก้วเป็นผึกเป็นแสงเป็นสีออตามสภาพเหมือนเพชรนินจินดาแต่ถ้าอยากไม่ยังไม่เป็นถึงขั้นแสงสีเป็นผึกเป็นแก้วกระดูกของเราเนี่ยก็จะขาวฟูไปทั้งร่างกายเลยกระดูกนี่ขาวใสเหมือนกับฟันที่มันฟันเขาขาว ขาวเข้าไปขาวเข้าไปเนี่ยมันขาวเหมือนสัมฤทเลยพระที่ประพฤติดีปฏิบัติชอบในอันดับที่ต้นๆหลุดพ้นจากอาสวะของเปรตอสุรกายสัตว์เดรัจฉานแล้วเนี่ยร่างกายจะไม่มีกลิ่นเหม็นเนี่ยค่อยเข้ารู้แหละค่อยๆพิจารณาตัวเองมองเห็นตัวเองเนี่ยเป็นโครงกระดูกแล้วก็เป็นกระดูกที่ขาวใสขึ้นไป ขาวเหมือนดังสํานฤะีธเพราะในกระดูกของเราเนี่ยมันมีสิงสารลาสัตว์มันมีมูกครูดมันมีน้ำเลือดน้ำเหลืองเนะกาะอยู่ในกระดูกของเรามันมีสัตว์ต่างๆที่เราได้กัดกินมันเข้าไปอยู่ในกระแสเลือดที่ห่อหุ้มในเนื้อเยื่อบางบางหนาบาง เส้นเลือดเล็กเส้นเลือดใหญ่เกาะหุ้มเข้าไปในในกระดูกของเราในตัวเราเราก็นึกไม่ได้แล้วก็นึกถึงโครงกระดูกหมูเป็ดไก่ที่เราเห็นเมื่อเราเห็นอย่างนี้แล้วโอ้เนาสัตว์ที่เรากินไปตั้งแต่เล็กจนโตตั้งแต่พ่อแม่ป้อนเราเข้าไปตะเก็นหมูเห็ดเป็ดไก่เข้าไป วัวควายประเคนเข้าไปกุ้งหอยปูปลาตัวเราเนี่ยก็มากไปด้วยสัตว์ต่างๆจึงเหม็นสาบเหม็นสางเหม็นตามสภาพของสัตว์ที่เราเกิดขึ้นยัดเข้าไปในตัวเหมือนเรายัดนุ่นเข้าไปในหมอนตัวเรานิ่มนุ่ ม, นมไปด้วยสัตว์ต่างๆก็ไม่รู้ว่า ตัวของเราเนี่ยศกกระปกโศกโแค่ไหนพอเราเห็นกระดูกเสร็จเราก็เห็นว่าน้ําเลือดน้ําเหลืองเราเนี่ยมันหอมที่ไหนเลือดดำเนี่ยมันก็เป็นเลือดที่ศกกรปกจะต้องเอาออกซิเจนเนี่ยไปฟอกที่ปอดฟอกให้กลายเป็นเลือดแดงก็คือน้ำเนี่ยที่เขากันปะปานั่นแหละเขาก็สูบน้ําศกกรปกมาน้ําดิบ ก็เอามากใส่สันส้มใส่คอลินแล้วก็เข้าพิธีกรรมต่างๆเพื่อให้น้ำเนี่ยสะอาดเป็นน้ำปัาปาเราก็คิดคิดตามหลวงพอ่อร่างกายเราก็เช่นเดียวกันได้กัดกินสิ่งสกปรกเหมือนเศษขยะเนี่ยเข้าไปในร่างกายก็คือสัตว์ทั้งหลายเนี่ย ไม่มีละที่จะมายอมให้เรากินกัดได้เหมือนชีวิตเราเนี่ยจะให้คนอื่นมาเข้นฆ่าเราเนี่ยมันน่าจะยากเนี่ยต้องต่อสู้แต่มนุษย์จะเป็นสัตว์ที่มีปัญญามากที่สุดไปหาวิธีต่างๆนานาที่จะเอาชีวิตและเลือดเนื้อของผู้อื่นเนี่ยตามสภาพรูปนามแห่งการเกิดเกิดก็คือกรรมนั่นเอง พวกควายนี่ก็มีรูปร่างมีรูปนามที่ชื่อว่าไอควายไองวัวไอหมูไอเป็ดไอไก่ไอกุ้งหอยปูปลาเนี่ยตามสภาพของมนุษย์ที่ทำกรรมชั่วนะนึกไว้ภาวนาเขาววาเป็นมนุษย์ไม่ได้เนี่ยก็จะต้องตกหล่นเกิดเป็นอยู่ในอบายภูมิของสัตว์เขาเรียกว่า สัตว์นโลกนั่นเองมันลกลงลังไปด้วยสัตว์มากนานาช น, นิดกินยังไงใช้ยังไงก็ไม่หมดสักทีเพราะคนชั่วมันเยอะมนุษย์มันตายเหมือนพืชลมลุกต้นไม้ใบหญ้าในดินในอากาศเนี่ยร้วนแต่มีเชื้อโลกทั้งนั้นเราเคยคิดอย่างหลวงพ่อไหม ซากพืชซากสัตว์ที่ล้มตายทับถมกันมาเนี่ยมาเป็นอาหารของต้นไม้ใบหญ้าที่เรากินอยู่ต่าลงไปลึกลงไปเขาสูบน้ํามันดิบขึ้นมาเนี่ยมันดํำปืดป๊ดเลยเหมือนน้ํามันคิโลที่ว่ารถใช้ใช้แล้วมันเสียแล้วเห็นไหมโลกของเราทั้งใบเนี่ยมันก็มีเหมือนกับ ตัวเราเนก็คือโรคทั้งใบที่อยู่ในตัวเราโรคตัวนี้เนี่ยมันมันรอร ล, ลิงรวมทั้งรอเหลือด้วยโรคของเราก็คือการคิดออกห่างตัวไปเรื่อยเรื่อยเราไม่เคยมองตัวเองไม่เคยไปฝึกสมถะสมถก็คือการพิจารณากายในกาย เมื่อเราหาเหตุหาผลดู ก, กายของเราในลึกที่สุดก็คือกระดูกกระดูกของเราเราก็สมมุติในขณะเนี่ยยิ้มเขาแวะมองเห็นตัวเองเป็นโครงกระดูกว่าโอ้เนอะชีวิตเกิดมานี่ไม่มีอะไรเลยเหรอแค่สมมุติว่าธาตุดินก็คือกระดูกธาตุน้าก็คือน้ำเลือดน้าเหลืองน้ำตาน้ำเงือน้ำลาย น้ำปัสสาวะผนะัดลมก็คือหมายถึงว่าเนี่ยลมละหายใจเข้าออกไม่รู้กับไม่รู้เป็นหมื่นเป็นแสนเป็นล้านล้านครั้งรวมทั้งอากาศสาธาดด้วยที่หายใจเข้าไปเนี่ยพัดวีทำให้ร่างกายเนี่ยหมุนเวียน <c oughs> เขาบอกว่าโลกมันหมุนไม่ใช่อยู่นิ่งโรคทั้งใบเนี่ยมันรอลิงเนี่ยทำให้เราเนี่ยมองอะไรที่ไกลตัวไปเรื่อยๆคือสายตามันเด็กๆก็เหมือนมองไกล้ๆก่อนเราเกิดขึ้นอันดับแรกเราก็มองลืมตาได้ก็ตกใจว่าโอ้เคยอยู่ในท้องแม่ อยู่ในน้ำคำํ่มไไหวอยู่ในท้องแม่อยู่ในน้ำดินก็ต้องก็แเดงโอ้ก็ต้องกระดง้ะด ง, ดองพอเราเกิดขึ้นมาเนี่ยน้ำน้ำคํามกลายเป็นน้ำเลือดน้ำเหลืองที่อยู่ในร่างกายหล่อเลี้ยงเหมือนถุงหออ่อขี้เหมือนสิ่งสกปรกโสโครกที่มันห่อหุ้มเหมือนสัตว์เหมือนเชื้อโรคตัวหนึ่งนที่มันอยู่อยู่กันเรา มันแฝงไว้ด้วยจิตวิญญาณก็คือจิตใต้สำนึกนะปรุงแต่งตามสภาพของกรรมกรรมก็คือการชักจูงไปสู่สภาวะของการเกิดที่จะต้องเกิดขึ้นในชีวิตนะเมื่อเราพิจารณาเห็นว่าโรคเราล่างกายเราเนี่ยเปรียบเสมือนหลังของโลกนะ มันเป็นสิ่งสกรปรกโสโครกเมื่อเราพิจารณาหัวก็มีขี้หัวเห็นไหมค่อยค่อยคิดตามไปตามันก็มีขี้ตาสกรปรกมากตามันถึงกับกพิบวันหนึ่งหลายล้านหลายแสนครั้งมันชำระล้างตาให้ที่คุณมัวมองไม่ชัดไม่เห็น จมูกที่โด่งงามเนี่ยก็มีขี้โมกนะเรียกว่ามีน้ํามูกเนี่ยใครชอบมั่งน้ํามูกเดี๋ยวถอนสมาธิแล้วก็เอาขี้ตาป้ายหัวกันป้ายหน้ากันสั่งขี้โมกทาซึ่งกันละกันดูซิว่าจะเกิดอะไรขึ้นหูที่มีดอกมีห้อยสีนั้นสีนี้ประดับเครื่องประดับเจาะ ก, กันให้พุนหมด รูหูเนี่ยมันก็มีขี้หูสกรปรกโสกโครกไงไอปากของเราเนี่ก็มีขี้เสเลดน้ำลายมีอาหารบูดเน่าคาติดฟันอยู่ปากเหม็นเน่าเลยเหม็นบูดเลยถ้าไม่ล้างไม่ทําความสะอาดมีขี้เสเลดน้ำลายเดี๋ยวเช้าเนี่ยตอนสมาธิก็ม้วนน้ำลายใส่กันเข้า S <S <S เรียกว่าของดีของพวกมึงอ่ะเฉพาะหัวนี่ก็ซุปเปอร์คีย์แล้ว เ, ออเราก็มองเข้ามาในตัวที่ตั้งเด้ยอยู่เนี่ยหลุดจากหนังแท้หนังเทียมนะเรียกว่าหนังกำพ้าก็มีเนื้อเยื่อร่างกายคนเราก็มีรูพุนหมดเป็นรูๆๆแล้วก็มีขนขึ้นมา ไอ้รูรู้เนี่ยก็คือการซรับทำให้อากาศผ่านทำให้ระบายความร้อนนะออกมาจากทางกายแล้วก็ระบายความเน่าเหม็นที่เรากินซากพืชซากสัตว์เข้าไปในตัวนะก็จึงมีอุ จ, จลระเนี่ยอ่อนบ้างแห้งบ้างเรียกว่าท้องผูกนั่นแหละ เหมือนในลำตัวเราเนี่ยในลำไส้เราเนี่ยมีฐานซับซึมความร้อนความชื้นแต่ถ้าเกิดคนท้องเสียไม่มีท้องผูกเนี่ยท้องเราเนี่ยก็จะรู้สึกว่ามันไม่ปกติแล้วมันไม่มีฐานไม่มีซับความร้อนความร้อนก็จะรู้สึก เป็นไข้ร่างกายคนเราเนี่ยรู้สึกไม่ปกติแห้ะท้องมันเป็นน้ําทั้งหมดเรียกว่าท้องเสียเมื่อถ่ายมากเกินไปทําให้เราเนิมหมดแรงและทําให้เราเนี่ ย, ยปั่นป่วนในท้องในร่างกายได้อาจถึงตายล้มป่วยได้เรียกว่าท้องเดินหรือว่าท้องเสียแต่ถ้าเกิดท่าน ปัสวะเราเป็นท้องผูกมากเกินไปไม่มีน้ําไม่มีของเหลวนะไม่มีของแข็งที่จะระบายความร้อนออกตอนถ่ายออกถ้าผูกทั้งหมดท้องเราก็เป็นดานแข็งไปหมดเลยเลือดลมมันก็ไม่ปกติเรียกว่าธาตุทั้งสี่นี่แปรปวนเห็นไหม เมื่อเราแปรปวนไปทั้งหมดนะทั้งปัสสาวะทั้งฉี่เรานี่แหละเวลาเราฉี่ออกมาเนี่ยเราก็หลังสารที่มันเป็นสิ่งสกรปรกโสโครี่ร่างกายเราเนี่ยไม่ใช้แล้วมันก็ขับออกมาจากทางไตเนี่ยขับออกมามีกลิ่นเหม็นตามสภาพที่เรากินสมมติว่าเรา ดื่มอะไรเข้าไปมากๆไม่ว่าจะเป็นสีไม่ว่าจะเป็นกลิ่นมากๆเนี่ยเจ้าไตเนี่ยก็จะต้องกั่นกรองขับออกมาเหมือนเราทานยาเข้าไปมากๆทานสีเข้าไปมากๆเนี่ยปัสสาวะก็จะเป็นสีนั้นขับออกมาเลยอุจจาะปัสสาวะเนี่ยมันมาจากไหนมันก็อยู่ในตัวเรา และตัวเราเนี่ยมันจะสะอาดได้อย่างไรรวมทั้งน้ำเลือดน้ำเหลืองก็เหม็นขาวครุ่งไปหมดมันมีสัตว์ต่างๆที่เราได้กัดกินเข้าไปเนี่ยมันสกรปรกโสโ ค, โครกที่องค์สมมาสัมพุทธเจ้าท่านบอกว่าร่างกายก็คือหลังของโลกแล้วไม่ใช่โลกหลอลิงแล้วเป็นโลกของหลอเหลือ แต่ถ้าโลกลอหลิงเนี่ยเดี๋ยวจะบอกให้ว่าจ้องใช้วิปัสสนาคำว่าวิปัสสนาก็คือปัญญาล้วนๆปัญญาก็คือความรอบรู้สังขารเช่นเดียวกันเราเข้ามาสู่สมถะก่อนสมถะก็คือเรารู้ว่าธาตุดินธาตุน้ำธาตุลมแล้วก็ธาตุไฟ ธาดไฟก็คือทำให้ร่างกายเราเนี่ยมีความร้อนมีความอบอุ่นตามที่เครื่องมันทำงานเหมือนเครื่องจักรกดมันทำงานก็มีระบบไฟฟ้าร่างกายเราเนี่ยก็มีเซลเล็กๆมีแสงมีเสียงมีการสัมผัสทางจิตวิญญาณไปทางเซลล์ของร่างกายต่างๆก็มีระบบวงจรไฟฟ้าในร่างกาย พระพุทธเจ้าในี่เก่งมากรู้ระบบรู้ไฟฟ้ารู้จักคลื่นรู้จักเสียงรู้จักแสงรู้จักเทคนิคมองเห็นตามสภาพของการเกิดเรียกว่าวัฏฏะคือการเบี่ยนไนว่าวัฏฏะก็แปลว่าสงสารมนุษย์เนี่ยเป็นสัตว์ที่น่าสงสารที่สุดไปเก็บกินขยะคือเศษกรรมอายภูมิของสัตว์เดรัจฉาน ที่มีรูปนามเหมือนสัตว์นรกก็คือรูปนามไฟก็มีเขาช้างก็มีงามดก็เอวคอตปาก็มีก้างมีเหม็นขาวควักกรุงกลิ่นที่แตกต่างกันไปควายวัวก็มีกลิ่นที่แตกต่างม้าก็มีกลิ่นแตกต่างหมูก็มีกลิ่นแตกต่าง ทั้งงูนกหนูกาไก่เนี่ยห่านเป็ดเนี่ยก็มีกลินตัวที่แตกต่างตามสภาพของกลิ่นแห่งกรรมกรรมก็คือการเกิดเมื่อเรากัดกินเข้าไปในร่างกายเนี่ยสภาพกลิ่นของตัวเราเนี่ยจึงเหม็นครึคร้งไม่รู้เลยว่ามันกลินสัตว์อะไรสภาพของกลิ่นที่เกิดขึ้น ตรงกับอบายภูมิภูมิที่เราได้เกิดเวียนไหวตายเกิดมาเกิดมาหลายพบหลายชาติเกิดเป็นหมาว่องเป็นวัวเป็นควายเป็นช้างเป็นมา้าเป็นนกหนู ก, กาไกา่อยู่ในป่าในลกไม่ได้อาบน้ําอาบท่ากินอาหารต่างๆนานากันตามสภาพที่สัตว์โลกได้ปรุงแต่งตามสภาพกรรม แต่เราได้เก็บสัตว์เหล่านั้นเนี่ยเอามารวบรวมอยู่ในเลือดในเนื้อของเราสภาพจิตใจเราก็แปรปวนไปตามสภาพของสัตว์ต่างๆอย่างเช่นหมูกินแล้วก็ดุดเลื่อยไปงูกินแล้วก็เลื้อนนอนสิงสารสัตว์ไก่ก็คุยกุ้งหอยปูปลาก็ต้องไหว้อยู่ตลอดเวลา หายใจอยู่ตลอดเวลามาประกอบกับกรรมที่เราเกิดชินชินแปลว่าชาญในสภาพที่เราเคยเกิดเป็นหมูหมากาไก่เกิดความติดสัญญาความรู้หมายจำเหมือนคนในรักบัวรักฝ่ายบางทีก็รักหมูรักหมารักแมวเลี้ยงกันต่างๆนานาที่ออกทีวีที่เขาเลี้ยงกัน เรียกว่าสัญญาในการติดไม่ลังเกียจกินนะไม่ลังเกียจตามสภาพที่เราเคยผูกพันซึ่งกันและกันมามนุษย์ก็มีสัญญาความเป็นผัวเมียความเป็นผัวเมียที่หลายพบหลายชาติที่เคยกินอยู่ร่วมหลับนอนกันมา บุพกรรมต้องเจอะเจอนะเมื่อเราเจอะเจอกันแล้วเนี่ยเกิดสเปคทางกรรมเลยเริ่มแรกทางกายกรรมก่อนหญิงก็เห็นรูปนามผู้ชายเนี่ยถูกต้องถูกสัญญาก็คือความรู้หมายจาทางจิตวิญญาณชอบรักคนแบบนี้เห็นไหมผู้ชายก็เช่นเดียวกันบุพ ก, กรรมต้องมาเจอ นะสัญญาแห่งความเป็นลูกผู้โตเมียนี่มองตาวับเดินรู้เลยเกิดความรักเกิดความใคร่มาเขาเรียกรักใคร่แล้วก็เกิดความใกล้ชิดนะเดี๋ยวจะต้องพูดว่าห่วงรักเหวลึกนะในอันดับต่อไปเมื่อเราเข้ามาสมถะเห็นรูปเห็นนามเห็นธาตุเราดีแล้วเราก็ค่อยๆเข้าสู่ วิปัสนาวิปัสนาก็คือการพิจารณารู้เหตุรู้ผลรู้ปัจจัยที่หลวงพ่อกำลังพูดอยู่เนี่ยเมื่อเรารู้เหตุรู้ผลเข้าสมถะเข้าไปในใจพิจารณาตัวอยู่เสมอเมื่อเห็นร่างกายของเราตั้งอยู่แล้วก็ค่อยๆเสื่อมดูโยมค่อยๆทำไปเมื่อเห็นตัวเองเป็นโครงกระดูกเป็นหนุ่มเป็นสาวแล้วก็ ค่อยๆเห็นตัวเองเป็นคนแก่ชราหัวก็งอฟันก็หักตาก็โบหูก็ห้อยลงมานึกถึงภาพคนแก่ให้กับตัวเราเองหนังเหี่ยวสภาพคดโคเห็นไหมคนแก่หน้าเกียดหน้ากลัวเมื่อแก่แล้วก็ต้องเจ็บ เมื่อปวดเหมือนกับเราเนี่ยปวดระบบในขณะเนี้ยพิจารณากลับไปกลับมากลับมากลับไปในร่างกายเนี่ยก็จะรู้สึกสับสนในความรู้สึกในร่างกายและจิตใจบางทีเราก็รู้สึกง่วงรู้สึกงดหงิดในใจเพราะว่าคิดไม่ทันเหมือนพระคุณเจ้าเนี่ยขยับไปขยับมา เหมือนบรรดาญาติโยมเนี่ยรู้สึกปวดท้องขี้ท้องเยี่ยวรู้สึกเจ็บนั่นร้อนตรงนี้คันตรงนั้นทำไมวันนี้เรารู้สึกไม่มีความสุขเลยในการนั่งก็เพราะหลวงพ่อเนี่ยให้เราเนี่ยไปพิจารณากายเราไอ้กายวิญญาณเนี่ยมันไม่เคยอยู่นิ่งไงจิตวิญญาณเนี่ยมันก็รับรู้โดยที่เราไม่คิดคิดยังไงทำอย่างนั้น แต่นี้เรามีสติรู้ตัวในการพิจารณาเมื่อเรามีความรู้ตัวเนี่ยความกระวนกระวายของสัตว์ต่างๆก็คือเราคุ้นเคยต่ออารมณ์ภูมิของกรรมที่จะต้องกักกรรมสิ่งนั้นสิ่งนี้ก็คือความคิดนั่นเองเมื่อเราไม่เห็นความคิดแล้วเราคิดแล้วเราไม่ทำตามที่เราเคย ชินต่อสภาพที่มันเกิดขึ้นเรารู้สึกอึดอัดคันยอกขัดรู้สึกไม่สบายใจสับสนวุ่นวายในความรู้สึกเราที่ไม่ใช่ตัวตนแต่เราชินต่อมันแต่ถ้าลุงพ่อสอนอย่างเดียวเนี่ยสมถะเราก็ได้สมถะคือได้พิจารณาแต่ไม่รู้เหตุรู้ผลว่า ต, วตัวตนของเราเนี่ย มันคืออะไรเพราะนั้นเช้าๆอย่างนี้เนี่ยได้เรียนสมถะนะเข้าสู่สมถะและพิจารณากายในกายเมื่อเห็นคนแก่อยู่ในสภาพของเราแล้วนึกเอาเรามันช่างนึกช่างคิดไม่ใช่หรือเมื่อเห็นคนแก่ก็เห็นคนตายเจ็บแล้วก็ตาย เราก็เคยเห็นหมาตายไม่ซากพืชซากสัตว์ที่มันเหม็นเน่าร่างกายหนังนี่ก็เปื่อยเน่าดำคล้ำเหลือแต่ที่โครงที่มันเน่าเหม็นนอนขึ้นยุบหยับยุบหับเราเห็นหมาตายสัตว์ตายเนี่ยนึกถึงตัวเราก็ไม่ต่างกับสัตว์ตัวหนึ่ง เมื่อในขณะตายเนี่ยมันก็เหม็นเน่าน้ำเลือดน้ำเหลืองเนี่ยก็ออกหูตาโปนลิ้นแหลบทวันหนักทะวันเบาก็เปิดหมดหนังที่สวยตัวที่หล่อที่สวยเนี่ยเน่าเปื่อยหมดเห็นเป็นอนิจจงว่าโอโนา๋นอเวทนาใจว่าต้องเอาเราไปเผาไปทำลายนะเมื่อเราเอาไปเผาไปทำลายก็เหลือแต่กระดูก ถ้าเราไม่ชำระล้างเข้าไปทางในเนี่ยเขาก็เรียกว่ากระดูกกระดูกก็คือความชั่วแข็งมากเขาต้งบอกแม้มันชั่วเข้ากระดูกไอเนียมันกระดูกขัดมันเห็นไหมใจมันดำลือเกินมาใจดำกระดูกมันก็ดำกระด่าง ก, กระดาํระดารำแต่ถ้าเราพิจารณาหาเหตุหาผลบ่อยขึ้น ตัวเราใหม่ๆเนี่ยก็รู้สึกสับสนวุ่นวายอาการจะเกิดต่างๆนาน า, นาเหมือนกับที่ลุงพ่อบอกเมื่อเราพิจารณาบ่อยเข้าชินแปลว่าฌานนั่นเองเห็นตัวอันนิจังเป็นของไม่เที่ยงเกิดขึ้นวนไปเวียนมาตามสภาพอารมณ์ที่เรามีสติสติคือความรู้ตัววิปัสสนามันก็มาเข้ามาเลย วิปสัสสนาก็คือตัวปัญญาปัญญาก็คือความร้องรู้นะเป็นความรู้ทันว่าอะไรมันเกิดขึ้นอะไรคือรูปนามอะไรคืออารมณ์ที่สมมุติอะไรคือตัวอันนิจจังเป็นของไม่เที่ยงเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็เสื่อมไปเหมือนร่างกายเราเกิดมาเนี่ยกับสิ่งสงปกปรกโสโคสรกในเราไม่รู้มาก่อน กระดูกเนี่ยเราก็ไม่รู้เลยคือธาตุดินเราไปปฏิบัติไปพิจารณาอยากได้ยานได้ฌานก็ไม่ได้พิจารณาความชำระล้างจิตใจชำระล้างกายเรียกว่ากายกรรมเมื่อกายกรรมเนี่ยมันสกรปรกเนี่ยวจีกรรมเนี่ยก็คือคำพูดเนี่ยมันก็ต้องสกรปรกไปด้วยเพราะมันคิดนึกจากจิตวิญญาณที่ แต่งจากสิ่งสกรปรกโสโครกใจคิดใจก็สกรปรกตกต่ำไปเรื่อยๆไปยินดีในสิ่งสกรปรกโสโครกมองไม่เห็นว่านี่คือทุกข์นี่คือโทษนี่คือผิดนี่คือความยากลำบากเช่นเราใช้ชีวิตกับครอบครัวเราเนี่ยยางยากลำบากการเลี้ยงลูกเลี้ยงผัวการมีครอบครัว กับที่เรามาปฏิบัติเนี่ยไม่มีทรัพสมบัติของใครเลยในขณะนี้ไม่มีพ่อแม่พี่น้องมีตัวมีตนตั้งสติรู้ตัวรู้ตนด้วยตนรูงตนเองนะยังบังคับไม่ค่อยจะได้อยู่อย่างสบายกินอย่างสบายนอนอย่างสบายเราก็ไม่สามารถที่จะอยู่กับมันได้นาน เหมือนพระคุณเจ้าก็เช่นเดียวกันน่าจะบวชนานๆก็อยู่ไม่ได้ตามสภาพของกิเลสตามสภาพของกรรมขนาดมาเป็นพักก็ยังหีพ้นกรรมไม่ได้ก็จะต้องกากกรรมไปทำในสิ่งที่มันไม่ควรจะทำเห็นหมกรรมมันปรุงแต่งชักจูงให้เราเนี่ยไปสู่กลุ่มไปรวมกันทำความชั่วนะไปประกอบกรรมชั่วร่วมกัน ทำไมไม่หักห้ามใจสติได้ว่าสิ่งนี้ทำแล้วมันเกิดความมัวหมองใจคุณเครื่องใจไม่สบายใจแต่เราก็อดคิดนึกชินต่อสภาพของกรรมไม่ได้เรียกว่ากากกรรมฉันได้ก็ฉันนั่นคุณโยมก็เช่นเดียวกันกากกรรมในการใช้ชีวิตหมกมุ่นตั้ง 70-80 ปีเห็นปู่ย่าตายายเราไหม ไอ้ปู่ย่าตายาญนี่ยก็ไม่ได้อะไรไปเลยได้แต่ความตายได้แต่กระดูกแต่ไม่รู้ว่ากระดูกอยู่ที่ไหนซะด้วยซ้ำทำไมเรากากากรรมได้ทั้งวันทั้งคืนเอาละเจ้าๆอย่างนี้ขอให้ท่านทั้งหลายไปพิจารณาสมถะเรียกว่ า, าการพิจารณากายในกายเห็นตัวเองนั้นเป็นสิงกปกสกกะปกโสโคก มองเห็นธาตุดินน้ำลมไฟพิจารณากลับไปกลับมาเหมือนปลาปิ้งเ่เมื่อเรากลับไปพอดิพอดีน่มันก็จะสุขพอดีแต่ถ้าเราปิ้งอยู่แถบเดียวเหมือนกันเน่าเป็นเท่าฐานกินไม่ได้ก็เหมือนกับการปฏิบัติมีแต่สมศะสมัทะแต่ไม่เข้าสู่วิปัสสนาก็คือไม่มีปัญญาที่ล่วงรู้รอบรู้ ในตัวตนของตัวเองในอารมณ์ที่เกิดขึ้นรู้ไม่เท่าเท่าไม่เท่าทันกิเลสเมื่อรู้ไม่เท่าทันกิเลสกิเลสก็พาจิตได้สำนึกเราเนี่ยปรุงแต่งไปตามสมภาพพอหลับพอปิดตาอาจจะเห็นแสงสีอย่างไม่พูดถึงเมื่อเห็นแสงสีก็ตกใจเราไม่เคยเห็น เห็นแสงเห็น ส, ń, สีเห็นจิตตัวเองเข้า<ๆ>ละเอียดเล lod, jog, ็กลงเบาลงเบาลงเหมือนเราหายใจไม่เข้าหายใจออกก็ไม่ออกตัวรู้สึกใหญ่เล็กโตแน่นหายใจก็ไม่เข้าออกก็ไม่ออกร่างกายเหมือนโยกร่างกายเหมือนตัวเล็กตัวใหญ่ยืดได้หดได้ตามสภาพที่จิตเพราะเราไม่เคยพิจารณากายในกาย ไม่เข้าใจในเรื่องของวิปัสสนาเราดันดนไปนั่งสักทีเดียวพอมันเกิดอาการนี้ขึ้นตกอกตกใจเกิดกลัวหวาดเลิกกันไปก็มีเสียสติเรียกว่าจิตหลุดก็มีเสียสติเรียกว่าวิกฤตจลิตไปก็มีเอาละ้าๆอย่างนี้ค่อยๆถอนสมาธินะเพื่อจะได้ไปกวดน้ำ